แดดลมลมตกพรบคําในเวลาเราก็มาทำวัาจดมน่งกันมากันตัวสารทิศบางคนก็ทิศบุรพาบางคนก็ประจิมบางคนก็หอระดีบางคนก็พายับฟังรู้เรื่องไหมนะประสาริเกม่ ที่พูถึงนี้ว่าเช้านะนั่งคุยกันกับหลวงพ่อเขียนกับหลวงตากรมนึงทิศพว ก, กนี้แหละหลวงพ่อท่านเขียนก็มีมุกมีคนหนึ่งเพื่อนเรียนด้วยกันครูถามว่ามีกี่ทิศทิศอะไรบ้างเพื่อนหลวงพ่อบอกมีสองทิศ ทิดอ่ำกับทิดอะไรไม่รู้สอทิฏนั่นแหละบวชพังศึกมาแจว่าหลวงพอ่อกรมไม่แจวว่าพระท่านไม่มีอารมณ์ขันนะหลวงพอ่อเขียนท่านมีอารมณ์ขันอย่าเล่าเรื่องจริง mm hmm. มันก็ได้เวลาฟังเทศฟังธรรมนะเรื่องมากมายในโลก mm hmm. เรื่องทิดท่านก็ถาเหมือนกันหลวงตะกมจำได้ไหม ทิศหอละเดียมทิศอะไรทุกวันนี้เราก็คุยกันภาษาบางทีก็เป็นภาษาที่มันฟังยากมากภาษาที่เป็นภาษาตามยุคตามสมัยที่จะเป็นภาษาที่เข้าถึงความรู้สึกตัวภาษาที่จะเข้าถึงะ ความไม่ทุกข์ในขณะนีน้จริงๆมันก็มีมากมายเหลือเกินแต่พูดร้อยคําพันคําทู้ทำขนาดเดียวรู้สึกขนาดเดียวนะดีที่สุดแต่ว่าพูดมันก็ดีมันเป็นฐานสุดตากัญญาแล้วก็เป็นฐานจินตากัญญาสุดตามหมายถึงอะไรหมายถึงว่าฟังผู้ฟังมากฟังทางหูดูทางตา ภาษาเ็าเรียกว่าฐานปรตัตโตโกสะไปโนนปรตัตโตโกสะเกิดปัญญาได้ตาดูหูฟังการเรียนนี่ต้องใช้เลยตาดูหูฟังสมองคิดตามตัวตามป็ญัญญาจินตาคือใครกลวนจดจำครูของสอนไม่ผิดทางหรอกคงไม่ใช่ว่าแม่ปูสอนลดปูดเฮ้ยเดินตรงๆในทาน ยีศบเดินตรงๆลุกปูกเห็นแม่เดินขาเกจะไปเดินตรงไดไงแม่เดินขาเกมันก็เกไปด้วยกั น, นก็จึงเป็นเรื่องที่เราต้องฟังใขรกลวนแล้วไปทำดูการกระทำก็เรียกว่าปัญญาภาวนาขยัน เดี๋ยวลงมือกระทาลงไปตรงๆก่อนอยากทําอะไรก็ทำํำไปก่อนคิดดีขนาดไหนเลิศรู้ขนาดไหนมีความสำเร็จขนาดไหนมันก็ยังไม่จริงอยู่ดีพอลงมือกระทาก็ปัญหาเขเกิดทั้งนั้นอ่ะอุปสรรคมันก็ขวางหน้าขวางตางั้นการลงมือทำไปก่อนนี่ก็ดีเหมือนกันแล้วค่อ ย, เ, ยเรียกว่าเจอปัจจัยแก้ไขผ่านหลายคนอาจะเป็นผู้ชานาญการ ปราดชาบ้านมาอะไรต่างๆอาจจะถวายปัญญาดุสดีบันดิตกิติมัสสักยกในฐานาที่เป็นผู้รู้จริงๆแต่ว่าไม่ได้อยู่ในสถาบันของการศึกษาที่มีชื่ออย่างนี้นะอย่างยายไฮจันทสารยงยายไฮทะเลาะกับราชการเลยศึกษากฎหมายเองเอาหนังสือมาเปิดเองทะเลาะ จนได้เงินจากรัฐบาล4ี่ล้านต้อ ง, ตงเปิดน้ำในเขื่อนเวลาห้าคืนเอาที่ดินคืนแกแกสู้ยังไงหิงสาไม่ใช่ทะเลาะแบบถูกดันใช้ปัญญาชนเอาปัญญาชนลงไปเออคิดถึงหมอเจอหมอเจก็มาพอดีเนคิดถึงนี่หรอเฮหมอเจหมอเจ ไ, ไปไหนมาแล้วเนี่ ออวันนี้คิดถึงยงเกษินกันยงเกษินก็โผล่มานึกถึงก็โผล่มาจริงๆอ่ะนี่มเจก็ตามไงเออดีหมนกั น, เ, ออกนเคยไหมพวกเราเคยเวลาแวบแวคิดแล้วก็เห็นหน้าอย่างเงี้ยเคยไหมพอนึกถึงไม่เคยนึกมาก่อนอนะเลยอยู่๊แบบ อ, อ้าวเฮ้ยอย่างเงี้ยก็ังคิดอยู่เมื่อกี้น่ยง ก็แปลกดีพลังงานพวกนี้มันมีอยู่แต่ว่าอย่าไปสนใจมันเลยเรื่องนี้เสียวเวลาคราวนี้มาพูดถึงอริยชนนะอริยชนก็คือมันไม่ได้ชนด้วยแบบใช้ปัญญามันใช่ไมันไม่เปลืองพลังงานขนาดนั้นหรอกอริยชนเนี่ยดีชนในการอยู่ห่างซะอริศัตรูยาคือไกลหน่อย อยู่ในระยะที่ไม่ทุกข์เห็นมันอยู่ดูมันอยู่เห็นอยู่และไม่ใช่ปุถุชนไม่ใช่ที่หนาตาช้างมันอยู่ภายใต้อารมณ์อยู่ภายใต้อยู่ภายใต้ความหลงอยู่ภายใต้อํานาจของกิเลสมีที่ผลเราลงมือสัตยาลงไปเราเห็นเลยนะในหลักการที่มีอยู่ในพวกศาสนาจริงๆ การเห็นกายเรียมีสติดูกายโดมก็เห็นเห็นน้ำก็รู้ว่าคืออะไรกายเป็นประโยชน์แทนที่จะเป็นโทษหลงกายก็ไม่ต้องถึงใจเรื่องใจก็ไม่ต้องไปเบียดเบียนกายบางทีทุกข์ใจเบียดเบียนกายาก็กินไม่ได้นอนก็ไม่หลับ mm hmm. เศรษถีเป็นโลกขาดอาหาร เศรษฐีไปร่วงาดอาหารอาหารเต็มโต้เลยแต่กินไม่ลงห้องนอนก็ดีแอร์ก็เย็นมุงลวนยุงก็กัดเวลาเราความคิดกัดทั้งคืนตื่นมาหน้าซีดหน้าเซียวหดเดียวหมนแรงเราจึงไม่จำนนไม่จำนนกับชีวิตหลักใช้ชีวิตไม่ใช่ชีวิ ต, ใ ช, ชวตใช้เรา ทำไมมีสติของทีมก็ลวงเอาซากความสุขเก่าๆมาเสพกินใหม่ตายยันไม่เหลือซากยังไปขุดเอาซากเก่าๆเน่าๆมากินอีกก็คือคิดไปในอดีตที่เป็นความสุขความภูมิใจวันนี้ต้องเจอกันมั่งหรอกปฏิบัติารามกันทั้งวันก็คงจะมีประสบการณ์รอยู่คิดไป5ปี10ปีย้อนไปเด็กๆก็มีมคิดทำใหม่ คิดแล้วสบายใจคิดเราวอยู่ได้ก็หาเรื่องคิดกันได้สัมผัสรู้ความรู้สึกตัวมันจะเป็นคำตอบจริงๆผ่านได้ก็เบาในปดมันเป็นข้อเท็จข้อจริงเห็นตรงๆเห็นตรงๆมันไม่โกหกมันเป็นความจริงเฉพาะหน้าเฉพาะหน้า เราก็รู้เท่ารู้ทันตัวเองนั่นแหละสรรสร้างสร้างสรรมันก็เลยเห็นไม่เคยสร้างสรรจีวิตแบบนี้มาก่อนเคยตาเจ็กลากไปไทยลากมาเป็นบางคนตื่นข่าวไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นน่น ใหม่ล่าสุดที่สุดของเทคโนโลยี้ายสุดก็ได้มาเป็นเจ้าของ3วันสีวันอาทิตย์หนึ่งมันเปลี่ยนรุ่นใหม่แล้วแล้วก็งงมันเกิดอะไรขึ้นตกเป็นท่าตกเป็นเหยื่อสังคมที่มีกระบวนการชี้นำแล้วปลุกเร้าเย้ายวนยั่วยุนะก็ทำยังไงได้เพราะวนะ่า เราเพิ่งเริ่มต้นที่จะมาวัดป่าสุกโตเรื่องที่จะได้ยินได้ฟังเรื่องความรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวแล้วมีการกระทาลงไปมันก็เพิ่งมีประสบการณ์ที่จะเลือกเราก็เลือกที่จะมีความสุขที่มันอยู่กับเนื้อกับตัวกายอยู่ไหนใจอยู่ด้วยกายทำอะไรใจทำด้วย เคลื่อนไหวมาเลกระดิกกระเดี่ยวมาก็รู้สึกหันซ้ายแลขวาเดินหน้าถอยหลังจะหายใจเข้าหายใจออกจะกินจะขับถ่ายอาบน้ำอาบท่าอย่างเมื่อกี้อาบน้าอาบท่ารู้สึกตัวไหมหรือว่าตักเต็มขันจ้วคลึ่มหกไปข้างหลังทั้งแดตลดตัวทัี่สศาสตร์โครมศาสตร์โครมเลย มันต้องตักมานะแล้วก็ลาดตรงกระหม่อมค่อยๆรินรูน้สึกดีจัง <S <S 1> <S 1> หรือถ้าเดดร้อนมากๆอากาศร้อนมากๆต้องลดตัอโค ก, ก่อนลดเบาๆให้มันรู้สึกหลวงพอ่อเขียนท่านเคยไลฟว่าอาบน้ำใช้แก้วน้ำตักน้ำมาน้ำห้าแก้ว อาบน้ำ5แก้วสะอาดทั้งตัวไปอินโดนีเซียลองฝึกดูนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาเลยน้ำ5แก้วแก้วที่หนึ่งค่อยๆลิ้นลินลินลินลินลงไปเสร็จแล้วก็ไล่เอามื อ, อไล่ไล่ไ่ไล่รู้สึกไปเรื่อยๆจนทั่วตัวเสร็จแล้วเอาสบู่มาแล้วก็ถู ไปที่อินโดนีเซียร้อนแล้วก็อาตะคัดน้ําไปเรียนภาษาเปรียบเทียบถลอยฟังนั้นเขาเรียกว่ายาปักลองไปจุ่มดูลองไปทําดูตรงๆเลยมันจะมีปัญหามีภาษาอะไรก็มีให้เลือกไปอยู่บ้านคนรวยแล้วก็อยู่บ้านคนจนถ้าเลือกไปอยู่บ้านคนจนได้อาบน้ํารู้สึกภูมิใจมาก ดังนั้นความภาคภูมิใจของเราบางทีก็เนี่ยมาเผชิญทุกเห็นทุกเห็นปัญหาเห็นอ้วกศักย์แล้วก็ผ่านไดน้มันง่วงก็ผ่านความง่วงเจ็บมันปวดก็ผ่านความเจ็บความปวดรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันคิดมากรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันมีรสชาติมีรูปมันมีเสียงมันมีหลายๆอย่างมากระทบ แเราก็รู้สึกตัวรู้สึกตั ว, วก็ชำนาญเลยเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นดีวันดีคืนมีประสบการณ์ไปเรื่อยๆเนี่ยแหละล้วก็จมตรงๆล ง, งไปเลยเป็นปัจจุบันปัจจุบันการถ่ายปัสสาวะอุจจาระการดืม่มน้ำดื่มท่า นั่งเดินยืนนอนเป็นความรู้สึกตัวมันก็เป็นลักษณะของการเรียนรัต<ม>เรียนรัด<ม>การเรียนรัดบรรพบุรุษคนโบราณหรือว่าหลวงปู่เทียนดานพูดว่ามันเป็นสูตรสําเร็จอึดใจเดียวสู่การรู้แจ้งเป็นทางรัต<ม>การเดินจมกรมการนั่งสร้างจังว่า การเดินจยกมีอันนี้สองมีเยอะหนึ่ง<ม>เดินทางไกลนิทนสองทำความเพียรก็ทนเดินนิยทนปันนั่งสามอาหารย่อยง่า ย, ายกินแล้วเดินจเจริญปัญญาจะกินแล้วเดินน ะ, จะเจริญปัญญาดีอาหารย่อยหมดเลยอาภาษน้อย การเจ็บการป่วยถ้าได้เดินได้วิ่งนะบางคนเป็นมะเร็งไม่จำนอนออกวิ่งมันทุกวันเลยไหนไหนมันก็เดินไม่ได้แล้วฮึดสู้ขึ้นมาลุกจากเตียงวันแรกๆก็เดินได้ห้าเก้าบเก้า็เหนื่อยวันที่สองก็สเก้าสบห้าเก้า็เหนื่อยวันสามยี่สาม้าก็เหนื่อยแต่ว่า มันเพิ่มไปเรื่อยๆ ร, ระยะทางจนกระทั่งท้ายสุดนนวิ่งได้20กิโลนหายป่วยจากมาเรงไปเลยไม่จำนวนเลือกได้เลือกได้เราเห็นแล้วมันมีเลยนะคนแบบนี้พิสูจน์เป็นการพิสูจน์คำพูดของพระพุทธเจ้าอั น, นิี่สองของการเดินจงกรม อ า, าพาธหายอ า, าพาทน้อยก็ลองดูทิ้มท่ันที่สุดคือการเดินโยกมสมาธิเกิดขึ้นเนี่ยเสื่อมได้ยากที่สุด mm hmm. เสื่อมได้ยากที่สุดการเดินโยกมการเคลื่อนมือเนี่ย mm hmm. เหมือนกันมือเคลื่อนเท้าเคลื่อน mm hmm. สมาธิเสื่อมได้ยากแต่ว่านั่งมันจะเมื่อยง่ายปวดเมื่อยง่ายง่วงง่ายเดินนี่จะฟุ้งง่ายไม่ค่อง่วงแต่ฟุง้ง ก็เคยเดินไปคิดไปทั้งชีวิตยอยู่แล้วพอมาเดินจงกรก็เดินไปคิดไปพอมานั่งก็ง่วงง่ายเพราเรานั่งหลับมาตลอดเรียนก็นั่งหลับนั่งรถก็นั่งหลับใช่หไหมทีดูหนังดูทีวีก็ยังนั่งหลับบางคนนั่งหลับตลอดก็เลย เวลานั่งปฏิบัติมันจะหลักง่ายๆ mm hmm. ก็ไม่เป็นไร mm hmm. จะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนค mm hmm. อยรู้สึกตัวอย่างเดียวใช้ได้หมด mm hmm. เป็นการปฏิบัติททั้งหมดไม่ต้องเห็นความคิดก็ตาม mm hmm. เวลาคิดแล้วรู้สึกตัวมันก็เป็นการปฏิบัติ mm hmm. แต่ว่ามันเป็นลักษณะของการเอานามรูป mm hmm. นามรูปมาเป็นตัวกําหนดเป็นเครื่องระลึกรู้ mm hmm. การเคลื่อนไหวของกายเรารูปนามภาษาธรรมะนะรูปนามเอามากาหนดเป็นเครื่องระลึกรูก้สติน้อยๆก็รู้ของหยาบๆไปก่อนเป้าโตๆการเคลื่อนเหมือนกับเป้ามันโตตาวเาปิดไปยิงนะเป้าโตๆไงก็โดนสดติน้อยๆก็รู้สึกตัวเป้าโตๆยังไงมันก็รู้สึกได้ชัด แต่พอทำไปทำไปสติเขาว่องไวขึ้นโตขึ้นความคิดละเอียดยมันก็รู้ทันเพราะกลังมันพอฟัดพอเวียงกันมันก็สมศักดิ์ศีเป็นครูโชคที่บางทีกําลังเราไม่ค่อยพอมันก็เพียงพามเขาบางทีกําลังเขาอ่อนตัวลงเราก็เออเห็นแล้วอยู่นือก็ได้เอาชนะเขารู้เท่ารู้ทันรู้จักการรู้จักแก้ อันนี้ก็คือชั่วโมงบินความชำนาญประสบการณ์ค่อยเป็นค่อยไปอุปสรรคค่อยๆแก้ไขไม่ใช่ว่าไม่มีมันมีทั้งนั้นแนหะแต่ท้ายสุดคำตอบมันก็คือธรรมชาติมันไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายประสบการณ์ชีวิตที่ดีต้องลุยมันทุกเรื่องนั่นแหละเรียนถูกก็เรียนเรียนผิดก็เรียนแต่ท้ายสุดเลือกเป็นผ่านตลอดจึงไม่มีการเลือก ันชอบอย่างนี้ไม่ชอบอย่างนี้อารมณ์อย่างนี้ฉันชอบทำไมมันหายไปไหนไม่มาอีกภาคใบความเบาไปไหนนาอเดินไม่เห็นเบาเลยบางทีมันหวยหาหวยหาอารมณ์ที่มันเคยทำให้เราตื่นตัวขยันปฏิบัติยกมือแลวกเบาให้มันเป็นลระนาที่ว่าพร้อมเผชิญอะไรก็ได้ เกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ไม่ให้ค่าให้ราคาดรงนั้นนะรู้สึกมันตลอดดูกายไปเลยเห็นจิตเห็นอาการของจิตเห็นธรรมาชาติไปเลยง่ายๆแบบนี้แหละบางทีก็อาจจะมีวิตีไตรเก่าๆมาก่อนบางคนบา ง, บางท่านเคยปฏิบัติหลายวิธีการมาแล้ว บางคนอาจจะลมหายใจมาก่อนบางคนอาจจะพองยุบมาก่อนพอมาที่นี่มาเคลื่อนมือสิบสี่ชิ้ว่าเดินจงกลมสิ่งเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันไม่ถูกไม่ผิดแต่เพียงแค่ว่าการเคลื่อนไหวมันหยาบหน่อยเห็นได้ชัดหน่อยแต่ท้ายสุดก็คืออะไรก็ได้ขอให้เป็นความรู้สึกตัวกันละกันจะหยาบจะกลางจะละเอียด ไม่เป็นไรหรอกอะไรหยาบสุดก็จะรู้สิ่งนั้นก่อนถ้าอาการกายหยาบสุดรุนแรงสุดก็จะรู้อาการของกายถ้าอาการของกายไม่มีอาการของจิตมันหยาบสุดก็จะรู้อาการของจิต mm hmm. เรียกว่ารู้อะไรก็ได้ที่มันเฉพาะหน้าขนาดนั้น น, นัมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาทันทีทันใดรู้สึกตัวรู้สึกตัวแต่ถ้ามันไม่รู้อะไรให้กลับมาฐานกายอย่างเดียวเลย อย่าไปหาอะไละเอียดโดยเฉพาะความคิดอารมณ์หรือสภาวะธรรมอย่าไปควานหามันหรือเวลามันเจ็บมันปวดนะี่ยนั่งนานๆเจ็บปวดนะียอย่าไปเพ่งไปจี้เอาสมาธิไปกดข่มเวทนาการที่ไปเพ่งไปจี้เอาสมาธิไปกดข่มเวทนานะ ถ้าเกิดเวทนามหายไปต่อหน้าเดี๋ยวอัตตามันโตมันจะมีตัวตนโผล่ขึ้นมาหรือบางทีมันก็จะเขล็ดลาไปซะ ก, ก่อนเพราะว่าไม่ผ่านใหม่ๆไปดัดให้เปลี่ยนอีเวดบ่อยๆไปก่อนค่อยๆขยายผลต่อรองกันหน่อเพื่อให้มันเกิดขันติเกิดต บ, บะเดี๋ยวว่ามีอินทรีย์ที่แก่กล้าขึ้นกายอินทรีย์จิตแต่อินทรีย์แก่กล้าขึ้น เวลามันมีความง่วงเงี้ยจะทำไงแก้ไขยังไงพระโมคคัลลานะนี่ขี้ง่วงมากบรรลุโสดาบันแล้วก็ยังนั่งง่วงนั่งหลับข้างๆพุทธองค์พุธองค์ก็ถามว่าโมคคัลลานะเธอง่วงมากหรือพระเจ้าค่ะเราง่วงมากโมคคัลลานะ ถ้าเธอเงืองเธอก็จงสาธยายมนสิสาธยายมนแต่ของเราบางคนบางท่านเนี่ยไม่ต้องสาธยายมนนะนะไม่ต้องเจตนาเดินไปมันมาเองเลยหลายคนก็บอกเดินไปเดินมาละหังสมันนะนะมม า, าอยู่นั่นนะ่ะนะโมตัสยาอยู่นั่นน่ะมันกล้องอยู่ในหัวเลยใครเป็นอย่างนี้มั่งยกมือลานปาดเป็นกันเยอะแล้วมือลงอื ไม่ได้ตั้งใจคิดมาเองเนี่ยตัว น, นั้นก็คือตัวจินตานั่นแหละ <S <S จินตามยมยาถ้าเธอง่วงเธอจงสาถ้ใหญ่มนถ้าสาถ้ใหญ่มนแล้วยังไม่หายโมคลาเราลือกถึงคุณงามความดีสิถ้าของเราไม่มีก็นึกถึงคนค น, คนอื่นก็ได้คนที่มีความดีทั้งหลายงนละวงพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ที่เราให้ความเคารพรักพอนึกถึงแล้วมีพิติหรือว่าแจกแจงหัวข้อธรรมแจกแจงดูหัวข้อธรรมมันเป็นยังไงเวลาเราฟังเทศฟังธรรมมันก็มีใช่ไหมบางทีบอกว่ามีสติมีสัมมชัญญะไเงี้ยแล้วก็แจกแจงดูสติคืออะไรนะอ๋อการระลึกรู้ สภาวั ญ, ญญาคืออะไรนะออรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็ลองแจกแจงดูเจตนาคิดนั่นแหละอ่ะถ้าไม่หายมกละานะให้เธอลืมตามองไปไกลๆมองช่องว่างมองท้องฟ้ามองยอดไม้เดิงจิตออกไปจากความง่วงก่อน ถ้าหายง่วงแล้วกลับมาปฏิบัติธรรมต่อแต่ถ้ายังไม่หายปฏิบัติธรรมและยังง่วงให้เธอมือรูปหน้ารูปตารูปเนื้อรูปตัวลูปปลุกความรู้สึกถ้าไม่หายเอาไม้ขนไก่หรือว่าดอกหญ้าใชหูปั่นหู ปั่นวันนี้เห็นเพื่อนเขานั่งปั่นทั้งวันเลยการแสดเป็นงวงทั้งวันแล้วไงก็เป็นรถมันนั่งปั่นนี่แหละนะสงใจอย่าเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเอามาทํำแต่ถ้ามันไม่เคยได้ยินได้ฟังมานั่งปั่นหูทั้งวันก็แสดงว่ามันกว่ารู้สึกตัวการเคลื่อนเวอร์สี่จังว่ามันกว่าและปั่นหัวแล้วมีการขอเอียงนี่นะ ที่แลวมันเอียงทางนี้แหละอีกสักพักหนึ่งมองไปมันเอียงทางนี้ฮะปันซ้ายเอียงซ้ายปั่นขวาเอียงขวาอืมไปห้างด้วยนะัน่งไปห้างเนละ mm. เทมากท่านั่งอถ้าปันหัวยังไม่หาย mm. ให้ลุกขึ้นเดินจงกรม ถ้นั่งง่วงกัลุกขึ้นเดินจงกรมเลยถ้าเดินจงกรมมัยังง่วงอีกนะเดินให้มันเร็วๆวิ่งจงกรมก็ได้หายง่วงแล้วกลับมานั่งต่อต้องแก้อารมณ์ตัวเองให้เป็นเดินหน้าถอย ห, หลังเดินหน้าถอย ห, หลังเห็นบางคนเข้าพยายามเดินช่วยตัวเองอยู่ทางเดินจงกรมมันมีคว่างๆเดินไม่ได้มันง่วงต้องไต่ไต่อิดบล็อกอะที่มันเป็นขอบของทางเดินจงกรมมาแม่ สนุกสนานมากเลยนะ mm hmm. อะต่อมาเดินจงกรมแล้วไม่หายทํ mm hmm. าความเพียรขนาดนี้แล้วมันยังง่วงอยู่โมกัลานนะไปล้างหน้าซะอาบน้ําอาบท่าก็ได้เ mm hmm. มื่อสบายหน้าสบายตาสบายเนื้อสบายตัวเย็นชุ่มฉ่ามาปฏิบัติต่อ ท, ท้ายสุดแล้ว mm hmm. อาบน้ําแล้วล้างหน้าล้า ง, างตาแล้วยังไม่หายโมกันลานนะ นอนซะ mm hmm. เป็นนอนทุกวิธีการแล้วมันสุดๆแล้ว mm hmm. หมอสสภาพอย่าง mm hmm. ไหม mm hmm. ก็ไม่ค่อยอยากบอกเท่าไหร่หรอกนะข้อนี้เพราะว่าทุกข้อในเวลาเราง่วงจะจำไม่ได้เลยจะจำได้อยู่ข้อสุดท้ายเนี mm ่ยมุคลานอนซะ mm hmm. มันจะง่ายมาก mm hmm. นี่ก็คือกุสโลบายนะ ที่เราก็ควรจะมาช่วยตัวเองลืมตาโตๆหายใจแรงๆเวลามันง่วงออกซิเจนเลี้ยงสมองไม่พอเราก็หายใจให้มันเต็มที่มันก็จะตื่นเราก็ใจอ๋อหมดอีกวันหนึ่งมันก็มีศักดิ์ศรีสมกับการที่เราได้มาฝึกหัดตัวเองตนสอนตนแล้วเราก็สามารถที่จะผ่าน แต่ละขณะต่ละนาทีแต่ละเวลาอารมณ์แต่ละลมเต็มยิบยื่นให้เราเก่งมันก็ผ่านได้ก็ภูมิใจเป็นความภาคภูมิใจดีวันดีเกินมันก็สนุกล้วหละมาถึงวันนี้คงจะสนุกหลายคนหลายท่า น, นก็ตื่นตัวเดินกันใหญ่เลยหลายคนบางทีก็อาจจะ ต้องใช้น limit ิมิตของพระกุบาอาจารย์พี่เลี้ยงอยู่บ้างเห็นผ้าเหลืองแล้วมีกำลังใจบางทีมันไม่ใช่ผ้าเหลืองของพระหรอกเพื่อนของเราเองใส่เสื้อเหลืองๆเดินผ่านมาแวบนึงนึกว่าพระอะก็เป็นบรรยากาศอย่างนี้แหละนะการมาแบรรม มีปอะสบการณ์หลายๆแบบจะได้ไม่ให้ใครมาคุยอวดเราได้วันเราก็เคยไปไปทําเหมือนกันเจอมาแล้วทุกๆสภาวะแล้วผ่านมาแล้วด้วย mm hmm. อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ mm hmm. อย่างเงี้ยพอเราได้ลงมือกระทําลงไปจริงๆเป็นประสบการณ์ตรงของเราเพื่อเราบอกว่ารู้รูป ร, รู้นามแล้วก็รู้รูป ร, รู้นาม เพื่อเราบอกว่ารู้ทันความคิดแล้วก็รู้ทันความคิดเ mm hmm. พื่อเราบอกว่ามีสติอยู่ mm hmm. ในรูปแบบนอกรูปแบบแล้วก็ทำเป็น mm hmm. พอเราฝึกหัดจนได้สัมผัสเกิดความเข้าใจ mm hmm. มันไม่ใช่คิดเอาพอ mm hmm. ถึงเวลาสอบ mm hmm. เจอโจทย์ก็สอบผ่าน mm hmm. เขามีปัญหาเราไม่มีปัญหาเขาวุ่นวายเราไม่ได้วุ่นวายเขาสับสนเราก็ไม่ได้สับสน mm hmm. เทุกเราก็ไม่ได้ทุกเขากโกรธเราก็ไม่ได้โกรธเขาไม่รักเราเราก็รักเขา mm hmm. มันเปลี่ยนไป mm hmm. มันเป็นอย่างนั้น mm hmm. น่เพราะฉะนั้นเราเหลือเวลาอีก mm hmm. หนึ่งวันเต็มๆกลุ่มปฏิบัติหนึ่งวันเต็มๆก็ให้โอกาสตัวเอง mm hmm. ฝึกตนสอนตนเต็มที่ ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามทั้งในรูปแบบนอกรูปแบบในสถานที่นอกสถานที่จะเช่าสายบายค่าจะทําอะไรที่เป็นกิจกรรมกิจวัตรล้วก็พยายามปลุกเราคาดรู้ให้มันตื่นยิ่ ง, งขึ้นไปต่อเนื่องเชื่อมโยงสัมผัสสัมพันธ์กันเราก็จะเห็นพลังของชีวิตมันเกิดชีวิตชีวาขึ้นมามันเป็นพลังที่ทําให้เราตื่น ดูโลกโลกนี้มันน่าดูนะเราก็ไม่ควรหลับไหลเสียวเวลาชีวิตเพราะเดี๋ยวมันก็จะวิชาตึงละชีวิตเราไม่ยาวนะักจะอยู่กันไปก็อยู่ไม่นานหรอกบางคนอาจจะแปดสิบปีบางคนก็เหลืออีกสี่สิบปีบางคนก็เหลืออีกยี่สิบปีบางคนอาจจะเหลืออีกไม่กี่วัน<ม>เวลาผ่านไปก็เหมือนกัน เดินเข้าสู่หลักทหารแล้วก็ไม่พะมาทพร้อมตกกระไดผลาญโจรปล่อยวางมาถึงเวลาพอเราฝึกวางและการเคลื่อนมือเราก็วางมือเรามีตาเราก็วางตาเรามีหูเราก็วางหูมีจมูกเราก็วางจมูกเราฝึกมาแล้วมีกายวาจาใจ มีความคิดมีความทุกข์เราก็ฝึกวาง้วแล้วตัววางตัวเดิมเมื่อวางเป็นหนึ่งครั้งวางของหนักของหยาบมันก็ละเอียดรุ่มลึกลงๆไปจนกระทั่งมันก็ถึงที่สุดเป็นเหมือนกันแหละนะก็พูดให้ฟังสาหรับเย็นนี้นะเห็นว่าสมควรแก่เวลาฝนตกดนะ้วยกลาบพร้อมกัน